แต่ยังมีสิ่งที่ไม่เห็นนะอืมยังมีสิ่งที่ไม่เห็นยังเป็นอวิชชาอยู่ไม่เห็นอะไรก็คือว่าไม่เห็นว่ายังมีความพยายามเพื่อตัวเราอยู่ของปุกเนี่ยคือยังมีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ได้ยังไม่เป็น ยังมีตัวเราเอาสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นตัวเราเอาธรรมชาติมีสองฝ่ายคือฝ่ายที่ธรรมชาติไปปรุงแต่งได้เรียกว่าสังขารกับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งไม่ได้เรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตรธาติมีแต่ความรู้เฉยแต่ไม่สามารถปรุงแต่งเป็นกิริยาการได้แต่ปุ๊กยังหลงเอาเอง สังขารฝ่ายปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งว่าเป็นตัวเรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราจะต้องมีความเพียรความพยายามในขณะปัจจุบันนี้ยังดิ้นรนค้นหาหาหนทางหาพระนิพพานยังเอาธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเนี่ยมาปรุงแต่งเป็นความรู้สึกว่าณตอนนี้เลยว่า ตัวเรายัางไม่ถึงพระนิพพานตัวเรายัางไม่บรรลุพระนิพพานความคิดความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นมันเป็นสังขารเพียงเราแค่เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแตง่งเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งส่วนธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งเนี่ยมันปรุงแต่งอะไรไม่ได้มันมีแต่ความรู้แจ้งรู้จรงิงรู้พ้นรู้ความจรงิงว่ามีแต่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับ <ๆ S 1> ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่ง ที่มันหลงอปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นตัวเราตัวเราหลงปรุงแต่งเป็นความรู้สึกว่าตัวเรายังไม่พ้นตัวเรายังไม่ถึงตัวเรายังไม่รุ้ปนิพานหลงปรุงแต่งว่าตัวเราจะต้องปรุงแต่งเป็นตัวเราจะต้องให้พ้นให้ถึงให้บรู้ปณิพานให้ได้ในขณะนี้เลยดิบดิียยังปรุงแต่งอยู่เนีต่อหน้าตัวตานี่ยเลยเราต้องเห็นมันด้สติปัญญาตังเกตเห็นมันจริงว่า แม้แต่ตัวสติปัญญาที่ช่วยสังเกตเห็นเนี่ยก็เป็นธรรมชาติไปปรุงแต่งทั้งหมดที่มันปรุงแต่งเป็นตัวเป็นความรู้สึกกับตัวเราอย่างพ้นตัวเราไม่ถึงตัวเราไม่ได้ตัวเรายังไม่เป็นตัวเรายังมีกิเลสตัวเราจะต้องเพียรห้ตัวเราเนี่ยสิ้นกิเลสจะมีตัวเราไปบริวิทิพานไปตึกนริวิพานให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นธรรมชาติไปปรุงแต่งสังขารทั้งหมดไม่มีใครยึดมั่นหรือมั่น ไม่มีใครไปยึดเอาสังขารฝ่ายปรุงแต่งมาเป็นเราตัวเราตัวตนของเราคงปล่อยให้สังขารฝ่ายปรุงแตง่งมันก็ปรุงแตงง่งยังไงก็เป็นปล่อยปรุงแต่งก็ไปเถอะเขาจะปรุงแต่งเป็นตัวเราตัวเราตัวเรายัางไงก็ตามถ้าเราเห็นว่าเขาปรุงแตง่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติฝ่าไม่ปรุงแต่งเลยอัตโนมัติ แม้แต่มันกลายเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งโดยอัตโนมัติแล้วมันก็ไม่มีผู้มันยึดถือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งที่เรียกว่าวิสังขารหรืออสังกัตธาตุก็จะเป็นสิ้นผู้ยึดบ้านถือมั่ น, นก็จะเป็นก็จะสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์บรรลุผลนิพพานแม้แต่นิพพานก็เป็นชื่อสมมุติเรียกของเรียกผู้ที่สิ้นอวิชชาสิ้นความหลงยึดบ้านถือมั่ น, ถ, นถ้าเราเห็นว่าต่ออันปรุงแต่งเป็นความรู้สึกเป็นตัวเรายัางไงก็ตาม มีตัวเรายังไม่ถึงพระนิพพานมีตัวเรายังไม่ได้พระนิพพานแล้วพยายาปรุงแต่งเป็นตัวเราจะต้องไปไปพระนิพพานให้ได้ไปถึงพระนิพพานไปเอาพระนิพพานให้ได้ไปรู้พระนิพพานได้เราเห็นมันเพียงว่ามันเป็นสังขารฝ่ายปรุงแต่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นสังขารฝ่ายปรุงแต่งสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นสังขารฝ่ายปรุงแต่งก็กลายเป็นใจที่ว่างเปล่าเลยใจที่ว่างเปล่าคือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่ง แล้วก็เห็นว่าธรรมชาติฝ่ายไม้ปุงแต่งก็ไม่มีตัวเราเพราะว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมันปรุงแต่งเป็นตัวเราไม่ได้แต่ที่มีความรู้สึกว่าใจเราใจของเราว่างเปล่าอันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปุงแต่งเมื่อรู้แจ้งธรรมชาติฝ่ายปุงแต่งซะหมดแล้วแล้วก็ละความหลงยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติฝ่ายปุงแต่งว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือมีตัวเราอยู่ในธรรมชาติฝ่ายปุงแต่งถึงสิ้นแล้วมันก็คง ความธรรมชาติปลายปุงแต่งซึ่งเป็นขันห้ามก็คงดําเนินต่อไปเพราะว่าเป็นชีวิตยังไม่ถึงเกี่ความตายใจที่ว่างเปล่าที่มีแต่ความรู้พ้นรู้จริงรู้แจ้งก็คงเป็นใจที่ว่างเปล่าที่มีความรู้จริงรู้แจ้ ง, ร, จ ร, งรู้พ้นรู้สิ้นยิดปัน้นถือปั้นในธรรมชาติสองสิ่งเนี้มันอยู่คู่กันนี้แต่ความจริงธรรมชาติสองสิ่งนี้มันมีคงมั่นมานนตั้งแต่เนี่ยแน่ ใจหรือจิตตั้งเดิมแท้ๆมันก็มีตั้งแต่ดึกตำบานเนี่ยมันไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายแล้วก็อวิชาที่ความหลงยึดม้านถือมั่นเนี่ยมันติดมากับจิตตั้งเดิมแท้ๆหรือใจตั้งเดิมแท้ๆแล้วมาผสมกับธาตุดินน้ํามลมไฟสเปิร์มของพ่อไข่ข อ, อ ข, ของแม่แล้วผสมกับธาตุดินน้ํามลมไฟซับพืชซับสัต anyway, ์ที่แม่กินเข้าไปแล้วตัวเราก็กินเข้าไปจนเติบโตมาทุกวันเนี่ยมันเป็นขันห้าแต่ขันห้ามันเกิดมาแล้ว แม้แต่อวิชชาจะดับไปขันห้ามันก็ไม่ได้แตกดับเพราะว่าขันห้ามันเกิดมาแล้วมันยังไม่ถึงแก่ความตายยังไม่ถึงขั้วที่ในยุไขัยเพราะนั่นแหละมันหายไปมันหายไปเฉพาะอาวิชชาที่ติดมากับธาตุรู้หรือจิตตั้งเดิมแท้แท้ความโง่ความหลงยึดมั่นถือมั่นมันดับไปแต่จิตตั้งเดิมแท้แท้มันเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าไว้เกิดไม่ดับมันก็เลยเป็นอมตะส่วนขันห้า มันก็คงทํางานด้วยความบริสุทธิ์ของมันเพราะว่ามันเกิดมาแล้วในชาตินี้ก็รอจนสินน้นอายุขัยข้าทาบค่อยดับแต่ความลงยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วมันก็เลยเหลือแค่ธรรมชาติสองอย่างคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งที่ทํางานคู่กันคือใจที่ว่างเปล่าซึ่งมีความรู้อยู่กับกิริยาอาการต่างๆ ของขันธ์ห้าที ab, ่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าเท่านั้นเองไม่มีใครยึดม้านชีวิตนอีกต่อไปแต่แม้แต่ตัวทําความเข้าใจเดี๋ยวเนี้ยที่พยายามทําความเข้าใจเดี๋ยวเนี้ยตัวดิ้นรนตดวตัวค้นหาตัวพยายามทําความเข้าใจเดี๋ยวนี้ตัวพยายามพยายามทำความเข้าใจเดี๋ยวนี้ตัวค้นหาเดี๋ยวนี้ตัวสติปัญญาตัวความรู้ตัวความเห็นตัวความเข้าใจเดี๋ยวเนี้ยก็ให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่ง เพราะมันมีปฏิกิริยาได้มีอาการได้เกิดดับได้ความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ปุ๊บเป็นอยู่ตอนนี้มันก็รู้แจ้งขึง้นมาในใจของเราว่ามันเป็นสังขารปุงแต่งทั้งนั้นแนะ่แต่เราไม่ใช่วา่าไปดับความรู้แจ้งความรู้จริง ร, ร, รู้เห็นรู้เข้าใจคงปล่อยให้มีความรู้อยู่อย่างนั้นแนะ่แต่ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นในความรู้นี้ทีนี้ปุบมาเชื่อเหลียวใจ พอเราเห็นว่ามันมีการพยายามจริงๆที่อยู่ในใจอย่างเนี้ยแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆคือมันมีผู้ก็ไปยึดความพยายามนั้น <c oughs> คือมีตัวเราไปคนพยายามเราก็เห็นว่าไอการที่มันมีตัวเราไปพยายามได้มันก็ต้องเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแค่นั้นแน่เราไม่ยพยายามไปดับตัวเราที่พยายามจะไม่ให้ไม่ให้ไม่พยายาม ถ like? hmm. ้าเราไปซ้อนก็ไปอีกซ้อนก็ไปอีกซ้อนก็ไปอีกมันก็จะเป็นหลงเอาธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไปเล่นอยู่เลยมันจะกลายเป็นว่าเอาธรรมชาติฝ่ายปุงแต่ก็เป็นตัวเราและเอาตัวเราพยายามไปดับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่เป็นตัวเราพยายามไม่ให้ยึดธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแต่มันจะปรุงยังไงเราก็มีความรู้อยู่รู้แจ้งว่าถ้าไอที่มันปรุงขึ้นมาได้ว่าปรุงเป็นอะไรก็ตามจะปรุงเป็นตัวเราไปพยายามวิเคราะห์ทำความเข้าใจยังไงก็ตาม มันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่ยืมมาใช้ใทำความเข้าใจแม้แต่นในขณะนี้ปัจจุบันที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างไรไม่จะมีการไม่มีกิาการรมที่เป็นการมีการขยับตัวก็ไปพยายามอะไรก็ตามแต่ัเป็นความรู้ตัวอยู่กับที่ที่ว่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรอยู่ในขณะนี้แต่ความรู้สึกตัวนั้นก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่ง ปล่อยใหเขาเป็นธรรมชาติลไยปรุงแต่งอย่างเนี้ยแต่มีปัญญารู้แจ้งว่าเขาเป็นธรรมชาติปลไยปรุงแต่งมังก็จะไม่ลงไปดับเขาแล้วไม่ยึดว่าเขาเนี่เป็นตัวเราเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้มีอาการเป็นผู้มีสภาวะก็คงปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีตัวเราเป็นไม่มีใครเป็นคงปล่อยให้สภาวะเป็นอยู่อย่างนั้นแนะแต่ไม่มีตัวเราเป็นสภาวะ หรือแม้แต่ผู้รู้สภาวะนั้นก็คงปล่อยให้เป็นผู้รู้สภาวะนั้นเนี่ยองแต่งเป็นผู้รู้ไปซะแต่ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้ไม่ยึดผู้รู้ว่าเป็นตัวเราเห็นทั้งสภาวะและผู้รู้สภาวะว่าเป็นอย่างไรมีสภาวะทำอะไรเกิดขึ้นและผู้รู้สภาวะทำอะไรตัวแต่เป็นธรรมชาติปองแต่งด้กันทั้งคู่ไม่มีใครยึดมั่นถือมัน่น ส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรุงแตง่งไม่ปรากฏอะไรเลยก็เท่ากับ ว, ว่าถ้าเรายังจะมีเหตุผลเพื่อเรามันก็มันก็เป็นสังขารประดั ง, งก็อยู่แต่กสังขารประต่ ง, ตงสุดท้ายไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะละ่ะจ้ารู้อยู่แก่ใจตนเองเท่านั้นปัญจะตา่างสุดท้ายเหลือแต่รู้อยู่แก่ใจตนเองเท่านี้ไม่มีภาษา สมมุติัรญจัตไ ด, ไ, ดได้ไม่มีความหลงปรุงแต่งอะไรใดๆต่อไปเมื่อสิ้นหลงปรุงแต่งแล้วไม่มีภาษาจะพูดเพราะมันสิ้นความหลงปรงแต่งแล้วความยพยายามหลงจะให้ผลอะไรมันก็ยังมีภาษาสมมติได้ยังหลงปรุงแต่งได้เมื่าใจสิ้นหลงปรุงแต่งไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเรียกอีกแล้ว ไม่มีอะไรที่จะพูดอีกแล้ว